เพราะว่าคนที่มีเมตตาธรรมนั้นถ้าหากว่าตั้งเมตตาผิดหรือกําหนดอารมณ์ที่ตัวเองจะพึงเมตตาผิดแล้วก็จะกลายเป็นร่าคะเมื่อกลายเป็นราคะก็จะกลายเป็นการสแสวงหาประโยชน์ซึ่งกันและกันว่าเราจะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างไรได้บ้างสตาร์ควายต่างยังให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ความรักก็ยังคงมีอยู่แต่ถ้าให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ได้ก็จะกลับกลายเป็นศัตรู แล้วคนสุดท้ายสามีพัญญาก็อาจจะฆ่ากันได้ดังที่เราได้เห็นกันอยู่เป็นปกติธรรมดาในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเพราะเหตุว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ของอกุศลไม่ใช่เป็นเรื่องของกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของโลภะแต่ว่าโลภะอันเนี้มันก็เป็นค่าสึกที่ใกล้คิดต่อเมตตาธรรมอย่างยิ่งฉะนั้นความปรารถนาดีต่อสัตว์เนี่ยเราจะต้องมีความปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทนจะต้องเป็นความปรารถนาดีที่เกือ้อกูลให้คนอื่นเขามีความสุขอย่างเดียวโดยไม่มุ่งหวังว่าความสุข น, นั้นจะต้องกลับมาหาตนหรือมาสูต่ตนตนเองจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไม่คำนึงถึงแต่จะต้องคำนึงถึงความสุขของคนอื่นเป็นที่ตัง้งหรือของสักอื่นเป็นที่ตั้งตัวเองจะทุกข์อย่างไรนั้นเราจะมาปราบไม่ได้แต่จะต้องปราบแต่ความสุขของคนอื่นเท่านั้นน่าจึงจะเป็นเมตตา เนี่ยเหมือนกับมารดาบิดาที่รักบุตรเราจะวัดจิตใจได้ว่ามารดาบิดาที่รักบุตรนั้นรักด้วยเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีเมตตาธรรมอย่างเนี้ยมารดาบิดาจึงเสียสละแม้แต่ความสุขให้กับบุตรได้มารดาบิดาจะทุกข์ยากอย่างไรก็ไม่ทิ้งบุตรไปอย่างในมิตรสูตรที่ท่านออตอบปัญหาของเทวดา เทวดาเนี่ยมาทูลถามพระพุทธองค์ว่าทูลถามปัญหาถึงเรื่องมิตรว่าใครเป็นมิตรในเรือนของเราและใครจะเป็นมิตรในสัมปรายภพพระพุทธองค์ตรัสว่าพัญญาเป็นมิตรอย่างยิ่งมารดาบิดาเป็นมิตรในเรือนของบุตรบุญกุศลที่เราทําเป็นมิตรในสัมปรายภพเป็นมิตรที่เดินทางไปในสัมปรายภพ แล้วท่านอัฏฐาธิบายในอัตถกถาว่าที่ว่าพัญญาเป็นมิตรอย่างยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าสามีในโดยปกติถ้ามีความลับแล้วความลับอันเนี้ยแพร่งพลายกับใครๆไม่ได้แต่สามีจะแพร่งพลายกับพัญญาจะบอกกับพัญญาสามารถบอกกับพัญญาได้เพราะอะไรรอบพัญญานั้นเป็นมิตรอย่างยิ่งเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ไม่เป็นศัตรู ไว้ใจได้แม้เราจะนอนหลับด้วยกันก็ไม่คิดว่าพันยาจะฆ่าหรือพันยาก็ไม่คิดว่าสามีจะฆ่าในเมื่อตัวเองหลับอย่างสนิทแล้วเพราะฉะนั้นแม้จะมีความลับ iatric, ความลับอันเนี้เปิดเผยกับคนอื่นไม่ได้แต่ก็เปิดเผยกับพรนยาได้นี่เป็นเป็นสภาวธรรมที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปทีนี้ที่ว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนของบุตร ท่านบอกว่าไม่มีใครที่จะเป็นมิตรที่แท้จริงอยู่ในเรือนได้ท่านอธิบายว่าเช่นอย่างสมมติว่าเออสามีกับทรนยาที่อยู่ด้วยกันเมื่อสามีป่วยป่วยหนักไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้เป็นโรคที่สังคมรังเกียจนอนจมกองมูดกองคูดอยู่ในบ้านทันยาเนี่ยจะเกิดความรังเกียจทันทีทันยาจะตีจา่าจะหนี ทนต่ อ, อความน่าเกลียดน่าชาั ง, งเหล่านี้ไม่ได้พันญาจะต้องหนีก่อนแต่คนคนหนึ่งจะไม่ยอมหนีและก็ยินดีที่จะรับใช้ปรนิบัติลูกซึ่งนอนจมกองมูดกองคูดอยู่คือแม่แต่แม่จะไม่มีความรังเกียจเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตได้ว่าจากการเลี้ยงเด็กเนี่ยแม่เลี้ยงเด็กกับคนใช้เลี้ยงเด็กความรู้สึกต่อเด็กของแม่กับคนใช้เนี่ยต่างกัน เด็กทารกก็จะถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะมาอย่างไรเนี่ยมารดาทําให้ได้โดยปราศจากความรังเกียจแต่คนอื่นเขารังเกียจเขาจะรู้สึกสะอิดสะเอียนรู้สึกเหม็นหน้าเบื่ออะไรต่างๆ่าเหล่านี้คนอื่นเขาจะไม่อยากทําแล้วก็ไม่เต็มใจปฏิบัติแต่คนที่เต็มใจปฏิบัติโดยไม่รังเกียจนั้นคือแม่เพราะฉะนั้นในยามทุกยากในยามที่ประสบต่อปัญหาเช่นนี้บุคคลคนหนึ่งที่ไม่ทิ้งเราคือแม่ แต่พัญญาอาจจะทิง้งสามีอาจจะทิง้งแต่แม่ไม่ทิง้งเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยจึงจัดว่าเป็นมิตรในเรือนของบุตรฉะนั้นท่านจะพบทุกแห่งผลว่าพ่อแม่ยังคงมีความรักลูกว่าลูกนั้นจะเร็วจะชั่วชาอย่างไรเนี่ยพ่อแม่ทิ้งลูกไม่ได้แต่คนอื่นทิ้งได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ามารดาบิดาเป็นมิตรในเรือนของบุตรและถี่ว่าบุญเป็นมิตรของผู้เดินทางไปสู่โลกหน้านั้น ก็บาะว่าการเดินทางไปสู่ปรโลกนั้นแม้เราจะมีเพื่อนในภพนี้มากมายสแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีใครเขาเดินทางไปกับเราด้วยเวลาตายแล้วเราจะต้องไปคนเดียวจะไปสู่คติเช่นใดเราก็มองไม่เห็นญาติมิตรข้าทาสบริวารที่อยู่ในปัจจุบันภพเนี่ยไม่มีใครเขาติดตามเราไปด้วยเราจะไปเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นมิตรร่วมเดินทาง และให้เรามีความสุขในสัมป라이ภพนั้นคือบุญบุญที่เราทำไวในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของเราไม่ใช่เราไปคนเดียวเปลี่ยวเปียวแต่เราจะมีบุญเนี่ยติดตามไปเมื่อมีบุญติดตามไปบุญอันนี้ก็จะเกื้อกูลให้เรามีความสุขในภพหน้าซึ่งความสุขอย่างเนี้ยใครจะติดตามให้ได้ติดตามให้ไม่ได้เลยความสุขบางอย่างเท่านั้นที่เราสามารถเกื้อกูลกันได้ในชีวิตปัจจุบัน แต่ความสุขบางอย่างเนี่ยเราหาเกื้อกูลกันได้ไหมข้อเ น, นี้ยขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้จากในชั่วชีวิตของท่านที่มีอยู่ว่ามีใครบ้างที่จะทําให้ท่านมีความสุขได้ตลอดชีวิตและมีความสุขตลอดเวลามีบ้างไหมต่อให้ท่านมีคนที่ท่านพอใจมีคนรักมากสักแค่ไหนก็ตามก็ เ, เขาก็จะไม่สามารถให้ความสุขแก่ท่านตลอด24ชั่วโมงได้ หรือตลอดเวลาที่ท่านนึกถึงเขาได้บางครั้งท่านจะต้องมีความทุกข์บางครั้งมีความไม่พอใจแต่บางครั้ง muitos, มีความสุขเมื่อนึกถึงบางครั้งมีความพอใจเมื่อนึกถึงและเมื่อชีวิตร่วงเลยไป แ, แล้วยามแก่เท่าใครจะให้ความสุขแก่ท่านได้ไม่มีไม่มีใครให้ความสุขได้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ให้ความสุขแก่ท่านได้ตลอดเวลาคือบุญ เรานึกถึงบุญครั้งใดเรามีความสุขเรานึกถึงกุศลที่เราทำครั้งใดเรามีความสุขนึกร้อยครั้งมีความสุขร0อยครั้งนึกพันครั้งมีความสุขถึง0ันครั้งและในยามแก่เท่าในยามเจ็บป่วยใครๆก็ช่วยเหลือเราไม่ได้แต่บุญที่เราทำเนี่ยทำให้เราเป็นสุขได้แม้ขนาดที่กิจจะดับขนาดที่วิญญาณจะดับจากโลกนี้เราก็ยังดับด้วยความสงบดับด้วยความสุขเพราะนึกถึงบุญ เนี่ยความสุขในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเครื่องวัดได้แล้วว่าอะไรที่จะให้ความสุขกับชีวิตเนี่ยได้มากกว่ากันเราก็ชบพบว่าบุญเนี่ยให้ความสุขได้มากกว่าแล้วก็ใครล่ะที่จะเป็นเพื่อนของเราที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปสู่โลกหน้าพบหน้าต่อไปก็ไม่มีใครเดินทางไปได้อย่างดีก็ไปเผาเราท่า น, นเองพอเผาใส่ไฟแล้วต่างคนก็ต่างกลับบางทีไม่ได้อยู่เผาจริงไปซ้ำไปเดี๋ยวนี้ จะเห็นไปเผางานศพเนี่ยเวลาถึงเวลาเผาความจริงก็ไม่ได้เผาหรอกเอาดอกไม้ไฟไปวางหลอกๆ ก, กันอย่างนั้นนะ่ะไปกันมืดฟ้ามัวดินใช่เสร็จแล้วก็กลับเหลือคนเผาจริงไม่กี่คนนะ่ะพอเผาจริงเสร็จแล้วก็กลับเราก็เป็นคิดเท่าไปไม่มีใครก็ตามไปด้วยมาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวแต่มีมิตรติดตามไปด้วยคือบุญบุญท่านที่ติดตามเราไป เพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดน่ะเขาจึงทำบุญเขาถือว่าบุญเนี่ยเป็นมิตรที่แท้จริงและเป็นมิตรที่ซื่อสัตย์ไม่เป็นศัตรูเหมือนกับบุคคลอื่นซึ่งอาจจะเป็นศัตรูกันได้แม้มารดาบิดากับบุตรก็ยังเป็นศัตรูกันได้ถ้าผลประโยชน์ขัดกันเพราะฉะนั้นท่านจิงตักว่าบุญเนี่ยเป็นมิตรของบุคคลผู้เดินทางไปสู่ประโลก ฉะนั้นในเรื่องของสภาวธรรมอันนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาด้วยความละเอียดว่าในทางปฏิบัตินั้นค่าศึกของกุศล น, นั้นก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีและค่าศึกอันนี้เป็นค่าศึกที่ใกล้ชิดที่สุดเมตตากับราคะเนี่ยใกล้ชิดกันที่สุดนั่นเาจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยมีเมตตาต่อกันครั้งแรกโดยไม่มีความรักที่เป็นราคะเนี่ยเกิดขึ้น แต่เมื่อเมตตามีอยู่มากๆเข้ามันกลับกลายเป็นราคะในภายหลังเพราะอะไรเพราะว่ามีช่องเป็นค่าศึกที่ได้ช่องมากที่สุดก็คือราคะที่เป็นศัตรูกับเมตตาธรรมฉะนั้นการแผ่เมตตาไปนในบุคคลใดๆก็าตามท่านจึงห้ามแผ่กับคนรักก่อนเป็นคนแรกว่าคนที่เรารักที่สุดเนี่ยอย่าพึ่งแผ่ไปก่อนอย่าแผ่แก่บุคคลที่มีเพศตรงกันข้ามกับตน เช่นผู้ชายไม่ควรจะแผลให้ผู้หญิงก่อนและผู้หญิงก็ไม่ควรจะแผลให้ผู้ชายก่อนในเมื่อจิตนี้ยังไม่มีเมตตาที่มั่นคงเพราะเมื่อแผลไปแล้วก็จะเกิดราคะได้ก็ราคะเป็นค่าสุดที่ใกล้ของเมตตาธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นระหว่างคุณธรรมกับอกุศลธรรมระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยบางอย่างมันใกล้ชิดกันและเมื่อใกล้ชิดกันมากอย่างเนี่ยมันก็มีช่องว่างที่จะให้อกุศลเนี่ยเกิดขึ้นแทรกแซงได้ บุคคลที่จะปฏิบัติในกุศลธรรมเนี่ยจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นศัตรูที่ใกล้และอะไรที่เป็นศัตรูที่ห่างไกลศัตรูที่เราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือศัตรูที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดว่าอะไรเป็นศัตรูที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเราจะต้องระวังศัตรูอันนี้ว่าอย่าให้เกิดขึ้นและยังมีช่องว่างให้แก่ศัตรูนี้ได้ช่องหรือในทางธรรมใช้คาว่าอย่าให้มารได้ช่องก็หมายถึงว่า่าเปิดช่องให้แก่มาร ถ้าเปิดช่องให้แกมาแล้วมานก็จะได้ช่องค่าศึกที่ใกล้จึงเป็นค่าศึกที่ต้องระมัดระวังมากกว่าค่าศึกที่ห่างไกลเหมือนศึกเข้ามาประชิดบ้านเมืองเราต้องระวังบ้านเมืองเราก่อนศึกที่ห่างไกลไว้ที่หลังศึกที่ใกล้บ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะมันใกล้ตัวเรายิ่งศึกอันใดที่ใกล้คิดกับตัวเรามากที่สุดต้องระมัดระวังให้มากที่สุด ดันั้นในทางปฏิบัติธรรมะเนี่ยท่านจึงได้ชี้เอาไว้ว่าเราควรจะเข้าใจในสภาวธรรมอันเนี่ยได้อย่างไรเพราะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในสภาวธรรมเช่นนี้อย่างถูกต้องแล้วบางทีปฏิบัติไปปฏิบัติไปกลับกลายเป็นอกุศลกลายไปเป็นโทษดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปเริ่มต้นดีแต่ว่าลงท้ายให้เป็นอย่างอื่นไปก็ไม่ทราบ ทั้งนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันเป็นค้าศึกหรือเป็นศัตรูที่ใกล้ชิดแล้วก็ที่ห่างไกลต่อกุศลธรรมที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นในพรหมวิหารธรรมเนี่ยท่านจึงชี้เอาไว้ว่าพรหมวิหารธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นมีอะไรเป็นค้าศึกบ้างทั้งใกล้และไกลจะเห็นได้ว่าแม้ในทางสภาวะของธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ยังมี สิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อกันคือค่าศึกในตัวเราก็เหมือนกันในชีวิตของบุคคลทั่วไปก็เหมือนกันคนดีก็ต้องศึกษาด้วยว่าเราดีแล้วล่ะแต่ว่าความดีอันนี้มีอะไรเป็นค่าศึกบ้างความสำเร็จอันนี้มีอะไรเป็นศัตรูบ้างมันคู่กันมิตรกับศัตรูเนี่ยมีคู่กัน สิ่งที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่ทําลายประโยชน์เนี่ยมันเกิดมาคู่กันทำทั้งหลายมีคู่กันทั้งนั้นอย่างความเจริญกับความเสื่อมมันเกิดมาพร้อมๆกันงั้นความเจริญเนี่ยจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นความเสื่อมของตนที่ใกล้คิดที่สุดก็ต้องกันเหตุแห่งความเสื่อมที่ใกล้คิดเนี่ยไว้ก่อนเนี่ยธรรมดาโลกเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าโลกเนี่ยมีทำอยู่สองฝ่ายทำฝ่ายเจริญกับทำฝ่ายเสื่อม เช่นปรับถึงโลกธรรมแปดมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบมียศก็ต้องมีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีความสุขก็ต้องมีความทุกข์เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่มีลาบท่านก็ต้องรู้ว่าท่านมีความเสื่อมลาบเกิดขึ้นพร้อมกันกับความมีลาบถ้าท่านมียศท่านก็ต้องรู้เท่าทันว่ามีความเสื่อมยศเกิดขึ้นคู่กันกับความมียศ ถ้าท่านมีคนสรรเสริญก็ต้องนึกว่ามีคนดินทาเกิดมาคู่กันเหมือนกันถ้าท่านมีความสุขก็ต้องคิดว่ามันมีความทุกข์อยู่คู่กันถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพลียงพล้ำไฝ่ายหนึ่งก็เข้าครองที่เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ในสภาวธรรมซึ่งเป็นธรรมดาของโลกเนี่ยทั้งสองฝ่ายไว้ถ้าเรารู้ธรรมดาของโลกทั้งสองฝ่ายไว้อย่างนี้แล้วแม้เราจะเพลียงพล้ำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่เกิดความทุกข์จนเกินไป วันนี้เสี่ยงซ้ำไปฝ่ายนี้แล้วฝ่ายนี้ก็เข้าครอบครองซึ่งมันเป็นของธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยได้ในโล ก, กธรรมก็คือไม่วันไหวในโล ก, กธรรมทั้งสองอย่างทั้งฝ่ายเจริญและฝ่ายเสื่อมสภาวธรรมเป็นอยู่อย่างนี้เป็นปกติธรรมดาของโลกแล้วก็เป็นสภาวธรรมที่เราทุกคนจะต้องศึกษากันให้เข้าใจเอาไว้เพื่อที่จะได้รู้ธรรมดาของโลกเหล่านี้อันนี้เป็นหลักปฏิบัติ แล้วก็เป็นหลักปฏิบัติที่ทุกคนต้องเข้าใจมันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนเป็นธรรมดาของทุกๆชีวิตที่จะต้องพบอย่างนี้ท่านศึกษาไปแล้วแล้วก็เฝ้าสังเกตดูท่านก็จะ เ, ออเห็นความจริงของส่วนนี้ว่ามันเป็นเป็นปกติทั่ ว, วไปฉะนั้นเรื่องของ ศัตรูของธรรมที่เป็นส่วนกุศลเนี่ยจึงต้องศึกษาไว้ด้วยเมตตามีราคะเป็นฆาศึกหรือเป็นศัตรูที่ใกล้ส่วนฆาศึกของเมตตาที่ห่างไกลนั้นก็คือความพยาบาทพยาบาทเนี่ยเป็นฆาสึกที่ไกลจริงเมตตาเป็นเครื่องกําจัดพยาบาท แต่พยาบาทยังอยู่ห่างไกลถ้าพยาบาทเกิดขึ้นมาใดเมตตานี้ก็หมดไปทันทีแต่พยาบาทเนี่ยยังไกลามากราคะใกล้กว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดคือราคะพยาบาททางจากราคาออกไปแต่พยาบาทเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามันเป็นค่าศึกอันหนึ่งเนีย ก, กรุณา ถ้าบอกว่ากรุณาจะมีค่าศึกที่ใกล้และค่าศึกที่ไกลเหมือนกันค่าศึกของกรุณาเนี่ยที่ใกล้ชิดที่สุดคือความโทมนัสความโทมนัสใจเป็นค่าศึกที่ใกล้เพราะเมื่อมีความสงสารมากแล้วมันเกิดโทมนัสขึ้นมาสงสารต้องไม่มีโทมนัสจึงจะเป็นสงสารที่แท้เป็นกรุณาที่บริสุทธิ์ ถ้ากรุณาใดยังมีโทมนัตใจเข้าแฝงอยู่อันนั้นไม่ใช่กรุณาที่บริสุทธิ์เป็นกรุณาที่ถูกข่าศึกคือโทมนัตเนี่ยเข้าครอบงาเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นโทมนัตใจเนี่ยจึงเป็นค่าศึกที่ใกล้ของกรุณาส่วนค้าศึกที่ไกลนั้นคือวิหิงสาได้แก่การเบียดเบียนการที่เราจะคิดเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเป็นค่าศึกที่ห่างไกลของกรุณา แม้ว่าการคิดเบียดเบียนคนอื่นจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกรุณาธรรมก็จริงแต่มันก็ยังเป็นปฏิปักษ์ที่ห่างไกลกว่าโทมนัสโทมนัสเป็นค่าศึกที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เกิดง่ายส่วนมุทิตานั้นท่านบอกว่ามุทิตานี้ก็มีค่าศึกที่ใกล้และค่าศึกที่ไกลค่าศึกที่ใกล้กกลอของ มุทิตานั้นก็คือความโสมนัสความโสมนัสความชื่นใจเนี่ยความโสมนัสและความชื่นใจเนี่ยเป็นค่าศึกที่ใกล้ส่วนอารติคือความไม่ยินดีหรือที่เราเรียกกันว่าริศยาเป็นค่าศึกที่ไกลเป็นค่าศึกที่ห่างไกลต่อมุทิตาธรรมส่วนอุเบขาคือความวางเฉยเนี่ย อุเบกขาคือความวางเฉยนี้ท่านอธิบายว่าอุเบกขานี้ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นผู้ตุชนแต่ถ้าผู้ตุชนคนใดโง่เสะหนานแน่นด้วยกิเลสไม่สามารถที่ชนะกิเลสคือโอทิได้เป็นคนหย่อนทั้งความรู้ ก็คือขาดปัญญาการขาดปัญญาเนี่ยเป็นค่าสึกอันหนึ่งของอุเบกขาดังที่ได้อธิบายแล้วว่าเชื่อกรรมแต่ไม่ใช้ปัญญานั้นใช้ไม่ได้เชื่อกรรมต้องใช้ปัญญาด้วยและเชื่อก ร, รมก็ต้องต้องใช้วรยะด้วยนอกจากความโง่เซอะดังกล่าวนอกจากความปราศจากปัญญา ไม่สามารถพิจารณาเห็นขุณและโทษแล้วท่านบอกว่าออทำราวนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นภายในบุคคลใดก็เหมือนกับฆาสศึกที่เกิดขึ้นในเรือนของตนสามารถที่จะทําลายตนของตนได้ต้องระมัดระวังส่วนฆาสศึกที่ห่างไกลนั้น ผู้ที่ะจะเจริญอุเบกขาภาวนานี้ท่านบอกว่ามีราคะกับปฏิฆะทั้งสองอย่างเป็นค่าศึกที่ห่างไกลเหมือนกับค่าศึกของเมตตาราคะกับปฏิฆะหรือถ้าพูดให้ตรงก็คือความยินดีกับความยินได้เป็นค่าศึกที่ห่างไกล อ่ะเป็นค่าสุดที่ไกลแต่ความยินดียินไล่เกิดขึ้นจิตที่เป็นสั ม, มเวศนั้นสีละสั ม, มเวศนั้นก็จะหมดไปทันทีจะไม่มีความเป็นกลางในสัตว์จะเต็มด้วยอคติในสัตว์เนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ ย, เ, ยเป็นค่าสึดของธรรมเหลา่านี้นี่เป็นสภาวะธรรมที่เราจะต้องรู้ไว้ทีนี้ในพรมวิหารธรรม ที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันในด้านของการปฏิบัตินี้เราอาจจะตั้งปัญหาว่าทำไมในพรหมวิหารธรรมสี่เนี่ยจึงตั้งเมตตาไว้อันดับหนึ่งกรุณาอันดับสองมุทิตาอันดับสามอุเบกขาอันดับสี่แม้แต่วิธีการเจริญก็ต้องเจริญเมตตาก่อนและจึงเจริญกรุณาจึงเจริญมุทิตาแล้วจึงเจริญอุเบกขาเนี่ยต้องเจริญมาตามลาดับ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นและเพราะเหตุใดจึงเรียกทำทั้งสี่นี้ว่าเป็นปรมวิหารธรรมและทำไมถึงมีเพียงแค่สี่เท่านั้นปรมวิหารจะมีห้าไม่ได้หรือปรมวิหารจะมีหกไม่ได้หรือทำไมมีสี่และทำไมจึง เ, เรียงไปตามลาดับอย่างนี้ในบางแห่งโดยเฉพาะใน พระพิธรรมปิดกนั้นท่านใช้คำว่าอัปปมัญญา <c oughs> อัปปมัญญาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันไปตามลาดับว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้เช่นทำไมจึงเรียกว่าพรหมวิหารเราที่เรียกว่าพรมวิหารนั้นเพราะว่า เป็นธรรมที่เป็นเครื่องอยู่อันมีภาวะที่ปราศจากโทษเป็นธรรมเครื่องอยู่ของบุคคลที่ประเสริฐปะกะติของพรหมที่เกิดขึ้นในพรหมโลกนั้นย่อมมีธรรมทั้งสี่อย่างเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาผู้นั้นก็มีคุณธรรมเยี่ยงอย่างพรหม เป็นพรมในโลกมนุษย์นี้แหละเพราะฉะนั้นเราจึงพูดสรรเสริญกันอยู่เสมอว่ามารดาบิดาเป็นพรมของบุรตรเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดานั้นมีเมตาตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อบุตรมารดาบิดาจึงเสมือนหนึ่งเป็นพรมของบุตรเพราะฉะนั้นธรรมทั้งสีเนี่ยจึงเรียกว่าพรหมมวิหารธรรมเพราะว่าเป็นเครื่องอยู่ของผู้ที่ประเสริฐและเพราะเหตุใดจึงมีสี่ จะมีห้าไม่ได้หรือถ้านบอกว่าเมตตาเนี่ยเป็นทางวิสุทธิคือเป็นทางที่บริสุทธิ์ของบุคคลที่มาก่ปด้วยพยาบาทส่วนกรุณานั้นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ของบุคคลที่มากไปด้วยวิหิงสาคือการเบียดเบียนกันมุทิตานั้นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ของบุคคลที่มากไปด้วยอารติหรือคนที่ขี้ริษยาคนอื่น อุเบกขานั้นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ของบุคคลที่มากไปด้วยราคะบุคคลนั้นจะถูกอกุโสลธรรมทั้งสี่อย่างเนี่ยเข้าครอบงำอยู่และคนเหล่านั้นจะชําระตนให้บริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัยธรรมะทั้งสี่นี้แหละไปเป็นเครื่องชําระจิตของบุคคลเหล่านั้นจึงจกบริสุทธิ์ขึ้นมาได้อันเนี้ยท่านอุปมาว่าเหมือนกับเอเหมือนกับมารดา มีบุตรอยู่สี่คนเหมือนมาดามีบุตรอยู่สี่คนบุตรคนหนึ่งเป็นคนเล็กอีกคนหนึ่งกำลังป่วยไข่อยู่อีกคนหนึ่งเป็นหนุ่มแล้วอีกคนหนึ่งบรรลุนิติตภาวะแล้วถ้าสมมุติว่าท่านมีลูกอยู่สี่คนท่านจะส่งใจของท่านเนี่ยไปในลูกทั้งสี่คนเนี่ยอย่างไร ลูกคนเล็กมีอยู่คนหนึ่งยังพึ่งตัวเองไม่ได้อีกคนหนึ่งก็แม่กำลังเจ็บป่วยอีกคนหนึ่งโตเป็นหนุ่มแล้วอีกคนหนึ่งมาลุกนิติภาวะไปแล้วท่านจะวางใจในบุตรสี่คนนียอย่างไรออในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าจะต้องมุ่งหวังต่อความเจริญของลูกคนเล็ก เราจะชื่นชมยินดีกับความเจริญโต ว, วันโตคืนของลูกคนเล็กวันนี้ลูกโตขึ้นแล้วพรุ่งนี้ลูกโตขึ้นอีกแล้วเราจะมีความยินดีมุ่งหวังต่อความเจริญของลูกคนเล็กและเราจะมุ่งบำบัดทุกข์ให้แก่ลูกที่ยังป่วยไข่อยู่คิดแต่จะช่วยเหลือว่าลูกคนที่ป่วยไข้เนี่ยเขาจะหายป่วยได้อย่างไรคิดช่วยเหลือลูกที่ป่วยไข้ ส่วนลูกที่โตเป็นหนุ่มแล้วเราก็มุ่งหวังความเจริญว่าลูกที่โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยแกจะได้มีหลักมีฐานต่อไปเมื่อแกมีหลักมีฐานแล้วเราจะชื่นชมยินดีในการมีหลักมีฐานของลูกคนคนที่เป็นหนุ่มแล้วส่วนคนที่เขาบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงใยเราไม่ต้องคิดถึงเท่าไหหมดห่วงไปแล้ว หมดห่วงไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าไม่ต้องไปคิดถึงเขาอีกแล้วการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโปรหมวิหารธรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้สรุปถึงการเจริญอุเบกขาภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปตอนหนึ่งแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพรหมวิหารในตอนนี้อยู่อีกหลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะก็คือเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเทศนาถึงเรื่องพรมวิหารธรรมนี่เรียงไปตามลำดับจากเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาและก็เป็นอุเบกขาสับเปลี่ยนกันก็ไม่ได้คือจะ เลื่อนเอาอุเบกขาไปไว้แทนเมตาภาวนาเป็นข้อที่หนึ่งในปรมวิหารธรรมสี่ก็ไม่ได้ที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าการเจริญปรมมวิหารธรรมทั้งสี่นี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ประการหนึ่งก็คือการเกื้อกูลต่อสัรพษัตว์เพราะโดยปกติแล้ว สรรพสัตว์ที่เกิดร่วมกันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เราขาดน้ำใจที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งนี้ก็เพราะความขับแค้นของชีวิตสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีมากขึ้นและก็เชื่อแน่ว่าอนาคตต่อไปความขับแค้นเช่นนี้ก็จะมีมากขึ้นตามลำดับ เมื่อความขับแคนในโลกมนุษย์มีมากขึ้นเท่าไรน้ำใจของสัตว์ที่จะมีความเกื้อกูลต่อกันก็จะลดน้อยลงตามลำดับชีวิตของสัตว์ที่เกิดมานั้นโดยเฉพาะมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์นี้ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความยากอันหนึ่งเพราะว่ากว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ กว่าบรรดาสัตว์ต่างๆนั้นต้องอาศัยการบำเพ็ญกิริยาธรรมมามากคือต้องอาศัยการรักษาศีลการบริจาคทานการเจริญภาวนาหรือต้องบำเพ็ญเบญจศีลเบญจธรรมมาเป็นจำนวนมากเราจึงจะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นการเกิดที่ยากอย่างยิ่งครั้นเมื่อเกิดมาแล้ว ชีวิตของมนุษย์ที่จะดำรงอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าการที่เราจะมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้ได้ต้องอาศัยการทำมาหากินการดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตของตนเองดำรงอยู่ความดำรงอยู่ในโลกนี้จะประสบต่อความยุ่งยากมากขึ้นตามลำดับในเมื่อสัตว์โลกเกิดมากขึ้น และเราจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆในด้านของปัจจัยสี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความจำเป็นและต่างฝ่ายต่างจะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตอนเองเช่นนี้น้ําใจที่จะเกื้อกูลต่อกันก็จะลดน้อยลงตามลำดับตลอดจนคุณธรรมต่างๆที่จะพึงมีต่อกันก็จะลดน้อยลงไปด้วย ดังเราจะศึกษาได้จากสังคมทางตะวันตกปัจจุบันนี้ในบางประเทศที่ความเป็นอยู่ของเขาจําเป็นมากมากกว่าคนไทยคุณธรรมหลายๆอย่างไม่มีอยู่ภายใน จ, จิตใจของชาวตะวันตกเช่นความกระตัญญูกะตะเวทีก็ไม่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันก็มีน้อยเพราะว่าต่างคนต่างจะต้องดินลนเพื่อเอาชีวิตของตนเองให้อยู่รอด ฉะนั้น เ, เรื่องน้ําใจที่เราจะพึงมีต่อกันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะการอยู่ร่วมกันในโลกจะเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อเรามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแต่การที่จะฝึกจิตให้เป็นเช่นนั้นได้จะต้องอาศัยการอบรมหรือการฝึกฝนในด้านของการปฏิบัติถ้าไม่มีการฝึกฝนทางด้านปฏิบัติแล้วน้ําใจที่จะมีต่อกันนั้น ก็จะลดน้อยเหลือกเกินดังที่ได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าเมื่อสังคมคับแค้นมากขึ้นเท่าไรชีวิตของมนุษย์ก็จะเป็นอยู่ด้วยความหลอกลวงหรือมีมารยาเสยแ้งต่อกันมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะห่างเขินจากสัจธรรมออกไปตามลำดับและเราจะหาความจริงใจ